4. ใจเป็นกลางคือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลวงเล็บเปิด21มีนาคม2551ในวงเล็บสองวงเล็บปิดถ้าเป็นกลางแล้วมันจะเลิกดิ้นถ้ายัางไม่เป็นกลางก็จะดิ้นทำอย่างไรจะดีกว่านี้นะถ้าเป็นกลางจริงจะต้องอยากดีทาไมล่ะเรายังอยากดีอยู่เราเกลียดชั่วเรายังรักสุขเกลียดทุกรักดีเกลียดชั่วให้เรารู้นะรู้ลูกเดียวแล้ววันหนึ่งเราก็เห็นเลย ทั้งสุขทุกข์ดีชั่วเสมอภาคกันคือเกิดแล้วดับเท่าๆกันใจจะเป็นกลางพอกลางแล้วเลิกดิ้นพอใจเลิกดิ้นนะใจจะเข้าใกล้มรรคผลนิพพานแล้วตรงที่จิตรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเป็นกลางหมดแรงดิ้นนี่แหละ คือประตูแห่งการบรรลุมรรคผลประตูอยู่ตรงนี้เองแต่ต้นทางที่จะเดินมาสู่ประตูนี้นะก็คือความรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวขึ้นมารู้กายรู้ใจไปเรื่อยรู้ทีแรกไม่เป็นกลางหรอกเห็นกิเลสก็เกลียดมันเห็นกุศลก็ชอบมันเห็นกิเลสก็อยากไล่มันเห็นกุศลก็อยากรักษาอยากให้เกิดบ่อยๆเห็นสุขก็จะเอาเห็นทุกข์ก็จะไล่เนี่ยไม่เป็นกลางรู้ซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําอีกวันหนึ่งเป็นกลางขึ้นมานะ พอเป็นกลางขึ้นมาเห็นทุกอย่างชั่วคราวหมดแรงดิ้นตรงนั้นแหละนะใจจะเข้าถึงมรรคผลแล้วเว้นแต่ว่าปรารถนาพุทธภูมินะถ้าวันนั้นไปเจอพระพุทธเจ้าเข้าท่านก็อาจจะพยากรณ์ให้อีกสิบกอสงไขยแสนมหากับเธอจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งชื่อนี้ชื่อนี้นะ